ใยความเข้าใจด้วยความสงบใยความเย็นใจมนุษย์เราท่านสอนให้มีทั้งหลักใจหลักกายคือที่ทีทั้งทางร่างกายและจิตใจ สัตว์มีเฉพาะร่างกายส็นหาอยู่หาจริงทำวรงทลรงอยู่่นจิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เรืงุทธมนุษย์ท่านสอนศาสนาในที่สอนเรื่องใจมีใจให้นีใจให้นีทำเป็นเรื่องยุทมีอารมณ์มีที่ขึ้น สอนพิสูจน์ตั้งหลายว่ามีก่านพิสูจน์ตั้งหลายเธอจอยู่อย่างมีที่พึงอย่าดีด้วยความไม่มีที่พึงคนที่อยู่ด้วยความมีที่พึงนั้นมีความเป็นสุขไม่ว่าเวยไม่วุ่นวายคนยังมีที่คนอยู่ไม่มีที่พึงมีความวุ่นวายเป็นประจำสอนสอนที่สุจท่านสอนว่าอย่างนี้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 ผู้อสอนพิสูตพิสูตท่านก็ไปจากคนจากคนเป็นบทเป็นพระเป็นบวชล่าเที่ยเเรียวกว่าพิสูตแต่ว่าผู้หิมไทยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นพะนี่เราก็คนคนหนึ่งเมืเ่อพระพุทธเจ้าสอนสอนพิสูตซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับเราและเป็นผู้มุ่งมัน ต่อความสุขความเป็นเองหรือความค้นทุกข์เช่นเดียวกันแล้วท่านสอนทุสุ ข, สขก็ตํากัดเกลือนถึงพวกเราผู้มีความมุ่งมั่นหรือมีเจตนาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขัดกับทั้งคารวะในดมานบุตรในด้านธรรมสอนอย่างเดียวกันในนี้นั้นเป็นอีกแงแน่เราอยู่อย่างไร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 ในความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราคือความไม่มีที่พึ่งความมีที่พึ่งทั้งสองนี้ก็มีอยู่กับเราความอยู่อย่างรื่นรอยไม่มีเหตุมีผลไม่มีความนับถือชอบ เ, เองไม่มีหลักมีเตัวเรียกวความอยู่ไม่มีที่พึ่งจุนแล้วก็ น, นอนนอนแล้วก็ น, นินฮะ ตอนแล้วนินคือกินแลนอนนั่นเองทำการทำงานอะไรก็คิดไปเชื่อตทางกันด้านวัตถอุอยากมั่งอยากมีอยากนําอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีกรุงตัวอยากมีขี้มีเสียงอยากมีอ น, นาจวาสนาอ้าไยๆ่อยโอ้มันมานเรื่ปเรเป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งดังความมุ่งหมายใจว่าดภาพ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 เมื่อใจสมายแล้วมันก็มีทางคิดอ่านใ่จางทึงเรื่องความผิดดีทั่วต่างๆความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรมันก็รู้ไปเองโลกนันก็ย็นถ้าเกี่ยวกับส่วนรวมมันก็มันก็ย็นแต่เพราะเรานั้นเรียกว่าเย็นนอนพยายามสอบเสียหาที่พื้นทั้งภายนอกภายในซึ่งเป็นความจำเป็นต้งหมวกันทีที่พื้นภายนอกก็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 มีกามีที่พึ่งภายนอกก็มีพอเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็มีพอให้สงบเย็นใจได้อา้าพรยิ่งแจกชลามาเท่าไหร่วัยผ่านไปเท่าไหร่การต่อบเถือนหาที่ยิ่งภายในนี่ยิ่งเป็นของต้องการมากขึ้นโดยลำดับถ้าเราได้ผ่านโลกมารานพอจะทดสอบคิดวิบวกลบได้ว่าเป็นผลมากเท่ากันไหร ทําให้การตอบแย้งหาที่พึ่งภายในหนักขึ้นเรื่องที่พึ้นภายในรวมเราก็เรียวกยวก่าพลังามความดีย้อนเํ้ามาก็คือความสงบเย็นใจความสงบเย็เยนใจเมื่อปรากฏขึ้นในเวลาในก็ทําให้เราได้ความอิ่มเอิ่ม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 พรุทธเจ้าสอนสอนพิจิตรทั้งหลายท่านท่านสอนอย่างนั้นที่นักถามที่ใดก็ตามเธอทั้งหลายอย่าดีด้วยความปราศจากจิตขึงถ้ามีหลักยึดอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจเมื่อรับการอบรมและบำบุงอยู่เสมอแล้วจะกล้าคุ้มผู่ความละเอียดถ้าครบถ่วขึ้นไปเป็นลำหนัก คือจะถึงความ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะการบำเพงส่งเสริมตนเองสนุกความก็คือหลักอย่างการสั่งสมที่ขึ้นที่มีความแน่นหนามันคุมขึ้นผ่านในใจิตใจพระว่ า, า, าว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงกลางวัเหนึ่งนั้นอย่างท่านสอนอยู่ทุกทุกขณะทุกยี่ล่ามยล่ล่ะโดยที่ท่านเนี่ะไปเรื่อยผ่านไปเลย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 เพราะฉะนั้นสมาธิท่านสอนว่าสมาธิอบรมปัญญานั้นเป็นถูกต้องเหมาะสมที่สุดในบุคคลทั่วๆไปนิ่งไงบุคคลจำนวนมากความั้งบนี้เมื่อเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นยอ่อมภูมิใจ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 ซึ่งเป็นความกังวลแต่ตนหรือเปล่าทำตนใหนมีความสงบไ ม, มต่ตองวุลว้าก็ขิ่นั่นซึ่งเป็นเรื่องก่อกลืน่นมีความสงบได้ด้วยความเปลี่ยนของเรานั้นเป็นที่เหมาะสมหรือสถานที่ใดก็เหมาะสมมนเรื่องการสถานที่มีเรื่องสมาธิสมหวัดปัรญาสมหวัดก็พิจารณา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 พยาลาอะไรก็เป็นอัจฉริยธรรมไปเมื่อใจมุ่งต่ออัตตตธรรมคือความจริง อ, อยู่แล้วโลกอันนิจจังต้ก็ประกาศทุกครั้งกลางวันกลางคืนมีความสงบแน่ขางนอกกประกาศข้างในก็ประกาศทางกายตัวก็ประกาศทางใจก็ประกาศตั้งแ เ, เรื่องอ น, นิจจังทุกของอากาศั่นเป็นเปียวกันไปเหมือนกับเครื่อนกันเอ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 รูปนันก็มีแต่รักสิสมบูรณ์ในว่าอาการใดทั้งหมดในบรรดารูปที่มีในร่างกายของเราและนอกไปจากนี้เหตธน า, านสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันก็ทำนองเดียวกันช่างทุกขังอนัตตาเนีน่มันกินใจสิฝ่ามันพูดแต่ความจึิงมันไม่ไม่เจอ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 ท่านเรียกว่าขันห้ากองห้าหมวดห้าหรือกองทุกนะมันกองตั้งแต่เพื่อนผ้าขึ้นมาถึงจุติกองทุกขนาดนี้เนี่ยูากไม่น้อยแต่มันหนักกว่าภูเข า, าพราะภูเขาทั้ลูกเราไม่เคยได้แบกเราจะท่าดได้ไงว่ามันหนักแต่ทา่าขันน้องเรานี่เราแบกตลอดเวลามนันพอท่าได้ธรรมดามันก็หนักอยู่แล้ว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 ถ้ามีเพียเราเอาบางที่มหาสติมหาปัญญาค้าลงไปพีจิตมันแหลกไปด้วยกันนันถ้าจิตจะเป็นแบบกที่เละมันก็แหลกไปด้วยกันถ้าจิตไม่ใช่ที่เละมันก็ไม่แหละมันก็ไม่ทิพหายทิพไผ่เป็นเรื่องของที่เละเท่านั้นเองไเหมือะไรอย่างนี้ท่านอย่างปัญญาไปมันมหาสติมหาปัญญานั่นเองเป็นปัญญาพิ่ทันสมัยที่สุดเป็นเคร mm. ื่องมือพิ่ทันสมัยที่สุ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 ก่อความไม่ทาํางานได้ทีการ้ไฟอัหาที่ขึ้นเดี๋ยให้มีที่ขึ้นดังพระพุทธเจ้าทรงสอนว่านั้นที่เรียกขึ้นในเบืงต้นเป็นาอาสิกที่เป็นบทบาทของการเสดงธรรมพอมาถึงจุดํเป็นที่ขึ้นอย่าง อ, อื่นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงมงทนถึงที่ขึ้ขั้นถึงนี้แล้วจึงไม่เป็นศาสตราสอนโลก สาวโลกั้งหลายเมื่อได้ขนับทำจากประพุทธเจ้าแล้วก็ต่างองต่างเสาะแสวงหาที่บำเพ็ญเพื่อทำในภาตอันนี้ อ, อยู่ในสถานที่ต่างๆจะโอดหวากมากแค้นมากแค้ประการใดก็กสากพยายามดุจดยงเพราะเห็นแต่แจะทำเห็นแต่ทำเพ่งทุกเห็นแต่ทำลงสสุดนกรกทั่งได้ฟาดขึ้นเป็นที่ขึนขนขนข้นอยาอต่างๆกันไป กาเป็นทุตทางสันนิษฐานทำมังสันนิษฐานทั้งทางสันนิษฐานของพวกเรานมาเรียนแล้วเป็นธรรมทั้งแข็งก็เป็นธรรมอันโย่ทั้งพุดธทั้งธรรมทั้งสท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธมฺโมตั้งโขจาริตนาเพิ่มฟรมติวัติโตอนยะมัญญานิโยอนยาวะเตจีพุทธตัมสนตโต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 ม, ม, othermal? มีอะไรแทบขึ้นเป็นไปหมดจนกระทั่งธรรมชาติละเอียดนั้นก็มีคุณค่าในความย่สุดของตัวเองถึงได้กําหนดคนว่าอำนากมาสนานนั่นต้อมีศีลต้อมีปัญญาเป็นคนอาภัพอ่านว่าว่ามาทลายอันนั้นธรรมชาตินั้นมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละสิทธที่ติดดังการว่าแบบนี้เพื่อความอ่อนแพร่เพื่อความเคาะขไปเลยซึ่งก็เป็นนโยบายของที่เจลิญประเทศหนึ่ง อันนึ่งเหมือนกันนั้นเมื่อเพื่อกะการแก้ความรู้ตึกหรือความคิดเห็นอย่างนี้ก็ต้องแก้ด้วยการต่างสมด้วยการพลิกตัวขึ้นมาน้อยก็ต้องทําให้มากอาบทัก็ต้องทําให้สมบูรณ์ปัญญาน้อยก็ต้องทําให้มากขึ้นหน้าเพราะทำท่านสอนไว้เพื่อความไม่อับทับเท่านั้น